ก็ความในคำภีมัชฌิมนิกายมูลปัญนาตในมาขึ้นจูละตันหาสังคยะสูตรสูตรที่กล่าวถึงความสิ้นตันหาแต่เป็นสูตรเล็กเนี่ยนะในข้อ433หน้า147ข้าพเจ้าได้สะดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปราสาทแห่งมิคารามานดา ในวิหารปุบผ า, ารามใกล้นครสาวัตถีปบพาตัวนั้นเนี่ยเป็นชื่อของทิศตะวันออกเป็นวัดที่อยู่ในด้านทิศตะวันออกของเมืองของเมืองสาวัตถีวัดเชตาว น, นี่นะอยู่ด้านทิศใต้ของเมืองสาวัตถีวัดปุบพารามนี่ยอยู่ทิศตะวันออกในอัธกถากล่าวถึงวัดปุบพารามของนางวิสาขาเนี่ยนะ ผู้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมากล่าวว่าในอัตถคฐานหน้า154 <c oughs> บอทว่า <c oughs> ปุปาราเมมิคารามาโตปาสาเทได้แก่ปราศาสตร์ของมิคารามาดาในวิหารชื่อว่าปุปารามมีเรื่องราวการอธิบายตามลำดับดังต่อไปนี้วิ ในอดีตการในที่สุดแสนกับเนี่ยนะก็เรียกว่านับถอยหลังไกลามากเลยนะแสนกับนางวิสาขาก็รอได้เนาะในที่สุดแสนกับมิวบาสิกาคนหนึ่งเนมตนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระถวายทานแสนหนึ่งคือมูลค่าของการถวายทานวันนั้นนะ่ะหนึ่งแสนแก่ภิกษุสองมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก แล้วก็หมอบลงใกล้พระยุคลบาทเท้าทั้งคู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำการปรารถนาว่ า, านะเรียกว่าตั้งอัตตะสัมมาตณิทิตั้งจิตเฉพาะพระพักพระองค์ว่าในอนาค ต, ตการขอให้หม่อมชันเป็นอัคราอุปถายิกาของพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์ น, นะะคือเนื่องจากว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนของนางวิสาขาในอดีตชาตินั้นเขาเป็นพุทธอุปถา เขาอุปถากอย่างดีเยี่ยมตัวเองเอแล้วก็เห็นเลยว่านาง อ, าอุบาสิกาคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่คุ้นเคยแล้วก็ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากตัวเองก็อยากจะมีบุญอย่างนั้นบ้างอยากจะมีศรัทธาอย่างนั้นบ้างอยากจะสร้างสมกุศลเช่นนั้นบ้างก็เลยตั้งความปรารถนาขอเป็นอัครอุปถายิกาเรียกว่าสุดยอดของอุบาสิกาผู้อุปถักคพระพุทธเจ้า ทำบุญในชาตินั้นจนสิ้นชีวิตเนี่ยนะนางก็ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดมาแสนกับแม้กระทั่งว่ากับกับนี้เนี่ยนะสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนคือพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนั้นนางนั้นมีอายุสองหมืปีประพฤติโกมาริพรหมจรร์ตลอดชีวิตแล้วก็สร้างวัดถวายภิกษุสงอ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเนี่ยนะเป็นราชธิดาของพระเจ้ากิกิเนี่ยนะ แล้วก็เวียนว่ายตายเกิดมาจนถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราก็มาเกิดในคันของนางสุมนณเทวีในเรือนเศรษฐีผู้เป็นบุตรของเมกะเกษฐีก็หมายความว่าเป็นหลานของเมกะเศรษฐีมีพ่อชื่อว่าพ่อพ่อชื่ออะไรนะพ่อนางวิสาขาอัน น, น, นชื่อคุณคุณ น, น่ะนะไม่ได้ชื่อคุณนั่นนะนะทำไมนะ คือเมธะกะเศรษฐีเนี่ยเขามีลูกชายมีเมธะกะเศรษฐีภริยาของเมนะกะเศรษฐีชื่อนางปฐุมบดีเนี่ยนะแล้วก็มีลูกชายแล้วก็มีลูกสะพ้ยคือแม่ของนางวิสาขาแล้วก็มีธาตุอีกคนนึงอ่ะที่เขาสั่งสมบุญมาร่วมกันนะนะทั้งห้าคนนั้นทําบุญมาร่วมกันนางวิสาขาก็มาเกิดเป็นหลานของเมธะกะเศรษฐีชื่อทนัญชัยเศรษฐีเนี่ยนะ ในเวลาคลอดพวกญาติทั้งหลายก็ตั้งชื่อเด็กหญิงคนนี้ว่านางวิสาขาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังพัทยานครนางวิสาขานั้นพร้อมด้วยเหล่าธาริกาได้ทำการต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนางก็ได้เป็นพระโสดาบันในการเห็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกคือครั้งแรกที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นก็ฟังธรรม พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังจบลงก็เป็นพระโสดาบันมีบุญจริงๆเลยนะคือที่จริงก็น่าคิดนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปที่เมืองพัทยานครไปเพื่อจะโปรดเมรทะกะเศรษฐีและเมรุทะกะเศรษฐีเนี่ยใช้ให้หลานเนี่ยไปรับเสด็จคือซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพยกย่องของโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะคุณปู่เนี่ยใช้ให้หลานอายุเจ็ดขวบไปรับเสด็จแทน พร้อมกับเด็กเยงห้าร้อยคนบอกว่าแสดงว่าถามว่าทำไมจึงจึงเป็นเช่นนั้นก็น่าคิดว่าแสดงว่าลูกหลานทั้งหลายเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ทนุธนอมห่วงแหนของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นที่สุดแล้วให้คนที่ตัวเองเนี่ยธนุธนอมห่วงแหนที่สุดไปรับเสด็จแสดงว่าวางใจในพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่มีความเคารพใน พระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่และคิดเลยว่าพระพุทธเจ้าคงไม่พาหลานเป็นต้นที่หลานของตัวเองเนี่ยพาไปเสียหายอย่างแน่นอนคือเชื่อมั่นในในพระพุทธคุณเนี่ยแรงมากถึงขนาดว่าปล่อยให้หลานอายุ7ขวบเนี่ยพร้อมกับบริวารเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็นางผู้เป็นหลานคือนางวิสาขาเด็กหญิงวิสาขานี่ก็เป็นเด็กที่ฉลาดมากเลยนะเข้าไปฟังธรรมครั้งเดียวบรรลุเป็นพระโสดาบัน นะถ้าเทียบกับพวกเราเนี่ยนะอาจจะสูตรเดียวกันที่นางวิสาขาฟังเนี่ยเราอาจจะอ่านร้อยรอบเนี่ยนะไม่ยังห่างเด็กอายุเจ็ดขวบสมัยนั้นนักแร้เนี่ยนะน้องเรื่องนะเทียบเ็ไม่ได้เลนะสี่ขวบสมัยนั้นเขาบุญกว่ากันเยอะเนี่ยนะอยู่ไปนานมาเนี่ยนะนางวิสาขาก็ไปอยู่ที่เมืองสาเกตเมื่อไปอยู่ที่เมืองสาเกตนั้นประก็ไปเป็นสภัายของเศรษฐี ในเมืองสาวัตถีเนี่ยนะก็คือมิคารเศรษฐีก็มาขอนางวิสาขาไปเป็นสะพยก็ไปอยู่ที่เมืองสาวัตถีเนื่องจากนางวิสาขาเนี่ยนะแต่งงานกับปุณณวัฒนกุมารปุณณวัฒนกุมารผู้เป็นบุตรของอมิคารเศรษฐีเนี่ยมิารเศรษฐีเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิเสร็จ แ, แล้วก็มีลูกชายชื่อว่านายปุณณนะเนี่ยปุณณวัฒนะ ปุณณวัฒนาคนนี้ไม่ต้องการมีภรรยาเนี่ยนะไม่ต้องการจะแต่งงานอยากจะอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นชายหนุ่มสบายๆเนี่ยไปเรื่อยผู้เป็นพ่อไม่ยอมทีนี้ไม่ยอมเนี่ยวิธีการที่จะหนึ่งถ้าจะแต่งงานก็ขอแต่งกับหญิงแบบดีเลยอ่ะถ้าไม่แต่งก็ไม่ต้องแต่งก็เลยบอกพ่อว่าถ้าหากว่าได้หญิงที่มีลักษณะครบห้าประการเรียกว่ามีความงามอยู่ในตัวห้าประการก็จะแต่งเรียกว่าหญิงผู้เป็นมีเบญจกัลยาณี ความงดงามอยู่ในตัว5ประการเช่นผมก็งามเนี่ยนะผมก็งามเนื้องามก็คือริมฝีปากงามฟันงามผิวงามวัยงามวัยงามก็หมายความว่าอายุกี่ปีไปแล้วก็ก็ยังดูสาวเหมือนเดิมหมดเลยเนี่ยนะเรียกว่าตั้งกติกาไว้เยอะมากแล้วก็นิคารเศรษฐีเนี่ยก็คิดว่าเออลูกเรานี่ททำบุญมาเยอะแสดงว่าต้องมีหญิงที่มีบุญเช่นนี้มาเกิดด้วยแหละก็เลยสืบไปก็ไปพบกับนางวิสาขาก็เลย ไปสู่ขอมาเป็นสภายนี้พอมาเป็นสภายอยู่พักหนึ่งเนี่ยนะเนื่องจากว่ามิขารเศรษฐีนี่เขาเป็นมิจฉาทิฐิเขาก็เลี้ยงนักบวชสมณะภายนอกเนี่ยนะนักบวชที่นุ่งลมห่มอากาศเนี่ยมามาบริโภคที่บ้านเนื่องในวันแต่งของนางวิสาขาก็บอกว่านีมน ล, นลูกสภายเชิญลูกสภายของเรามาทําบุญกับพระอรหันต์นางก็นึกว่าอรหันต์พระอรหันต์ในพุทธศาสนาไปเห็นนักบวชแก้ผ้าก็เลย ตำหนิแล้วก็จากไป น, นะพวกนักบวชทั้งหลายเหล่านั้นก็บอกว่าแม้หาหญิงไม่ได้แล้วหรือไงจึงไปเอาสวาวกของสภัสสมณะโกดมมาเป็นสะพายเหมือนกันเสร็จแล้วก็บอกโอ้ยเด็กหญิงก็เป็นอย่างนี้แนตะ่ท่านเอ้ยอ่างั้นก็อยู่ไปตอนหลังก็มีอยู่วันหนึ่งนางวิสาขาเนี่ยปกติแล้วโบราณนั้นนะอาการที่ลูกสะพายคอยดูแลเรื่องอาหารสําหรับกับข้าวให้กับ พ่อผัวแม่ผัวนี่ถือเป็นเรื่องปกติพนั้นก็ต้องก็ไปคอยยืนดูแลยืนรับใช้ในเรื่องอาหารทั้งหมดเนี่ยนะในระหว่างนั้นเนี่ยขณะที่กําลังยืนตักอาหารคอยดูแลพ่อผัว อ, อ, อยู่นั้นพระพิสุรูปหนึ่งก็เดินบินธบัดผ่านไปหน้าบ้านมิข่ารเสฐีนาวิสาขาก็ชี้ให้พ่อดูพ่อดูนกข้างหน้าที่ที่ซุ้มประตูบ้านใชหให้ชี้ให้ดูนกชี้ดูซุ้มประตูบ้านซึ่งก็หมายถึงพระพิสุนัยยืนอยู่ตรงซุ้มประตูพอดี มองชี้นกก็เห็นแต่นกชี้ไม้ก็เห็นแต่ไม้ไม่เห็นพระสักทีหนึ่งในที่สุดนางวิสาขาก็กลัวว่าพระพิสุรูปนั้นจะยืนลำบากนานก็เลยบอกว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าไปโปรดข้างหน้าก่อนเธอตอนนี้คุณพ่อกำลังบริโภคของเก่าอยู่นาอมิคารเศรษฐีโกรธมากเลยว่านางวิสาขาเนี่ยด่าตัวเองว่ากินอุจจาระ ก, กินของเก่าอะ่ะก็หมายถึงอุจจาระสิ เพราะฉะนั้นดูถูกกันชัดๆหญิงคนนี้อยู่เรื่มร่วมชายคาคนเดียวไม่ได้เธอออกจากบ้านฉันไปไล่เลยทันทีก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นลู ก, ลกสาวผู้มีตระกูลแล้วก็ตอนมาก็ไม่ได้มาตัวเปล่านะยกตระกูลใหญ่มาขณะเดียวกันเนี่ยคุณพ่อก็ตั้งผู้พิพากษามาด้วยแดคนเกว่าเจ้าหน้าที่คอยชำระคดีให้ลูกสาวเนี่ยนะเกว่ามีทนายประจำตระกูลเนี่ยติดมาด้วยแดคนเพราะฉะนั้นจะต้องชำระ ก, ก่อน พันผิดถูกยังไงแล้วค่อยคุยกันว่าจะไปหรือไม่ไปก็เรียกขนายมาก็คุยไปคุยมาก็บอกว่าเอาเนี่ยที่บริโภคว่าคำที่เจ็บใจที่สุดนี่คือว่าบริโภคของเก่าเนี่ยหมายคว่าไงก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยทำบุญในอดีตชาติมาดีชาตินี้จึงจะได้บริบูรณ์พูนสุขมีข้าวของเครื่องใช้บริโภคเต็มไปหมดเลยแต่คุณพ่อไม่ยอมทำบุญใหม่ ฉันก็เลยบอกว่าคุณพ่อกําลังบริโภคของเก่าหมายถึงกินแต่บุญเก่าเอาแต่ผลของบุญเก่ามาใช้สมดไม่ได้ทําเหตุใหม่เลยเออแล้วไปอย่างน้นก็คุยประเด็นอื่นๆบอกว่าฉันชําระความหมดแล้วไม่มีความผิดขอลา ก, กลับบ้านบอกลูกเอออย่าทําอย่างนี้เลยอย่ากลับยังไงอยู่เถอะขอร้องอะนะบอกไม่ได้นี่นะไม่ได้ยังไงก็ต้องกลับบอคือคือมิขาราเศรษฐีเนี่ยถ้านางวิสาขากลับเนี่ยหน้าแตกหลายเรื่อง ประเด็นที่หนึ่งเนี่ยตระกูลนางวิสาขาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปเชิญมาจากแคว้นมคธนน่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถือว่าพระอยู่ในการดูแลของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเพราะฉะนั้นมันจะเทือนถึงกษัตริย์มันจะกระเทือนสองเมืองเลยด้วยกันเนี่ยนะอันดับหนึ่งแต่ตอนนั้นแต่ตอนกโกรธมันก็ไม่คิดอ่ะนะพอหายกโกรธปรับคิดออกเลยแต่เขากลับจริงๆเนี่ยเดือดร้อนแน่เพราะมันก็มีหลายๆประเด็นตอนนั้นนางวิสาขาก็เลยอาศัยเหตุตรงนี้ก็บอกอ้างว่า ถ้าหากว่าได้ทําบุญให้ทานแก่พระภิกสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นต้นในบ้านเนี่ยจะยอมจะยอมอยู่ต่อไปถ้าไม่ให้อนุญาตตรงนี้ไม่ยอมเพราะคนละศาสนาใช่ไหมก็บอกเออเธอจะทําอะไรก็ทําไปเถอะเนี่ยขอให้ลูกอยู่ก็แล้วกันเนี่ยนะลูกจะทําบุญจะให้ทานลูกจะทะเลี้ยงใครทําบุญที่ไหนยังไงก็ทําไปเถอะขอให้อยา ก, กลับไปอยู่กลับอยา ก, กลับบ้านแล้วกันอยู่นี่แ ล, แแล้วกันสละกานาก็นิมนต์พระพุทธเจ้า นิมนต์พระพิสุทธิ์รงมีพระพุทธเจ้าเป็นประโมกม า, มา ส, สรับสังฆานเนี่ยนะครับวัตถุทางที่บ้านเพราะฉะนั้นนางวิสาขาก็เตรียมจัดการเรื่องอาหารเลี้ยงพระภิกสุทธ์ทรงเนี่ยจำนวนมากก็นนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันขณะที่ประเคนถวายฉันเสร็จพอฉันเสร็จแล้วเนี่ยก็นางวิสาขาก็ให้คนเนี่ยไปเชิญพ่อของสามีเนี่ยมาฟังธรรมวันนั้นเนี่ยพ่อของ สามีคือมิขารเศรษฐีเนี่ยเขาก็นิมนต์เขาก็เชื่อเชิญนักบวชภายนอกมาม า, มาฉันเหมือนกันแล้วก็นักบวชภายนอกเนี่ยก็คือเริ่มคิดว่าอุปถากของตัวเองเนี่ยชักมีปัญหาเพราะฉะนั้นจะต้องไปคอยดูแลอรารักขาไปเป็นพี่เลี้ยงให้พวกโยมอุปถากหน่อยเดียวถ้เาเกิดเศรษฐีบ้านนี้เปลี่ยนศรัทธามเมื่อไหร่เราหมดแน่เนี่ยนะเขาก็เลยแค่ว่าต้องการจะรักษาฐานหม้อข้าวหม้อน้ำเอาไว้เนี่ยนะก็เลยไปคอยดูแลคอยกํากับมิขารเศรษฐีตลอด เสร็จแล้วพอมีขาระเศษฐีมีคนมาเชิญให้ไปบริโภคอาหารไปฟังธรรมเนี่ยนะไปฟังอนุโมทนาคาถาจากพระพุทธเจ้าก็เลยนักบวชว่าอย่าไปอย่าไปบอกไม่ได้ลูกลูกสะพให้เราเชิญขนาดนี้เราต้องไปเอาไปก็ไปแต่ว่าต้องนั่งฝากมาก่านไม่ต้องไปเห็นพระพุทธเจ้า เพรเห็นป <emás>. ั <altung> ๊บเนี <mind> <media> ller, well ่ยคนที <Erfahrung>. ่เล hm. ื่อมใสในรูปเห็นพระพุทธเจ้าต้องเลื่อมใสคนที่เลื่อมใสในเสียงเนี่ยนะได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าก็เลื่อมใสได้ยินคํายกย่องก็เลื่อมใสคนที่เลื่อมใสในความเศร้าหมองเห็นความเศร้าหมองที่พระพุทธเจ้าเนี่ยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ออกมาบวชอย่างนั้นก็เลื่อมใสหรือผู้ที่เลื่อมใสในในธรรมเนี่ยนะได้ยินได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็เลื่อมใสกลัวเศรษฐีคนนี้จะเปลี่ยนศาสนามากก็เลยบอกว่าท่านนั่งฟังนอกม่านก็แล้วกันพระพุทธเจ้าก็คิดว่า จะนั่งนอกม่านหรือนั่งอยู่ฟากจั ก, กรวาลก็นั่งเถอะนะภาระการแสดงธรรมเป็นของเราพระองค์ก็แสดงธรรมอนุโมทน า, าแสดงธรรมจบเนี่ยนะมีขารเศรษฐีเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันพอบรรลุเป็นพระโสดาบันจบเนี่ยนะก็เลยแหวกม่านมาหาลูกสะพ้ยก็บอกว่าตั้งแต่นี้ไปขอเรียกแม่กันละกันเพราะเธอเนี่ยนำมาซึ่งประโยชน์ซึ่งความสุขให้แก่ตระกูลนี้มากก็เลยเรียกลูกสะพ้ยว่าแม่แม่นับถือเป็นแม่จริงๆเลยแบบนั้นอนะ่ะ เสร็จ แ, แล้วก็ก็เลยเรียกมีชื่อว่ามิขารมานดาที่เรียกว่าแม่ของพ่อผัวอีกทีหนึ่งเสร็จ แ, แล้วก็ตอนหลังนางก็อายนะว่าใครไปก็เรียกแม่ของอะไรนะแม่มิขารเสถีนี่ก็อายนะลูกชายลูกชายมาคนแรกก็ชื่อว่ามิคานเลยมิขาระมิขาระเนี่ยนะนะให้ชื่อเหมือนปู่ไปเลยบอกว่านางวิสาขามิขารมานดาก็จะได้ไม่ค่อยอายอ่นะไม่เก้อ